ความสุขมีค่ากว่าเงินทั้งที่ได้มาและให้ไปเมื่อไม่เอาทรัพยนร้อนๆมาลนจิตลนใจใจย่อมไม่ดิ้นพลานไปหาความสงบนอกตัวมาแต่ไหนคนสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตนเองคือคนที่ถูกบีบให้ต้องสะสมเงินแต่เส้นทางสะสมเงินอาจ บ, บีบให้แยกไม่ออกระหว่างจำเป็นต้องเอาให้พอกับโลกจะเอาให้มาก พอรู้ตัวอีกทีก็เอามากไปจนไม่รู้จักพอเสียแล้วคนสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตนเองจะมีเรดาร์ระวังตัวระวังการใช้เงินแต่เส้นทางการระวังอาจทำให้แยกไม่ออกระหว่างระวั ง, ว ง, วงกับตรณีที่เหนียวพอรู้ตัวอีกทีก็งกจนเป็นโรคใจไม่เป็นเสียแล้ว ชีวิตขี้โลภและตรณีทีเหนียวนั้นเป็นชีวิตที่ปรุงแต่งจิตให้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตขับแคบมืดมัวและเป็นทุกข์สมองถูกล็อกให้คิดแต่จะเอาเข้าตัวจิตแบบนั้นวันไหวง่ายและระแวงเกินเหตุถึงแม้ผิวนอกจะเหมือนมีความสุขทากลางทรัพย์สินอลังการแต่ภายในหดหิวเหมือนตายกดตายยากหรือไม่ก็ทรมานกับความไม่รู้จักอิ่ม คล้ายคนถูกหลอกให้กินพยับแดดดีใจนึกว่ากินน้ำใจเกิดอุปาทานว่าชุ่มชื้นแต่แท้จริงลำคอและท้องไส้อย่างแห้งผากเหมือนเดิมการดดนปรุงแต่งจิตด้วยตัวเลขเงินเข้าท่าเดียวจะทำให้เกิดเป้าหมายผิดผิดเช่นต้องมีถึงเท่านั้นเท่านี้ชีวิตถึงจะเข้าเขตปลอดภัยแต่ต่อให้ตัวเลขในบัญชีเพิ่มขึ้นจนเลยจุดที่คาดหวังไว้แล้ว ก็เหมือนน้อยไปอีกเกิดเพดานใหม่ขึ้นมาอีกไม่เคยไต่ระดับไปถึงจุดที่น่าพอใจอย่างแท้จริงเลยนั่นเพราะชีวิตไม่เคยข้ามเข้าเขตปลอดภัยและจิตไม่เคยพ้นเขตความยากจนจนกว่าจะมีปกติเป็นกุศลมีใจเปิดกว้างเป็นทานได้เจือจารย์จนอิ่มสุขเกิดสัญชตาตญาณของจิตที่ส่งความเป็นกุศลรู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้ไม่เดือดร้อน ภายหน้าก็สบายแน่แม้ยังไม่มีเงินมากยังต้องกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายยังต้องถูกกดดันเรื่องหนี้สินงอกแต่แค่ไม่คิดเอาตัวไปพัวพันกับเงินสกปรกใจก็ยังรู้สึกสะอาดอยู่ได้แค่ไม่คิดจะชอชนทุดจริตใจก็ยังรู้สึกปลอดภัยได้อยู่แค่ไม่คิดจะฉกช่วยทรัพย์ที่คนอื่นไม่ให้ ใจก็ยังรู้สึกว่ามีอะไรดีๆเหลือติดตัวบ้างการเป็นทานเป็นความสบายใจทำได้ด้วยการรักษาศีลข้อสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าตาจนละทนได้อดกลั้นอยู่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นมหาทานเพราะให้ความเป็นปกติสุขให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินกับผู้คนไม่เลือกหน้า แล้วเมื่อไม่เอาซับ ร, ร้อนๆมาหลนจิตลนใจใจย่อมไม่ดิ้นพล่านหาความสงบนอกตัวมาแต่ไหนส่วนการให้ทานแบบเจือจา์ถ้าตั้งตนด้วยการอยากให้ผู้รับมีความสุขจะเกิดความสุขตั้งแต่คิดให้ยิ่งถ้าให้แบบที่ตนเองไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องมาเสียดายสิ่งที่ให้ไปในภายหลังก็ยิ่งได้รับความสุขความปลื้มใจที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรติดค้าง และไม่มีมวลทินต้องกังวลหลับตานึกถึงใจที่รักษาศีลข้อสองใจที่พร้อมแจกใจเชื้อจาย์คุณจะรู้สึกถึงนิมิต ท, ที่มีลักษณะเปิดกว้างสงบสุขนั่นแหละนิมิตของความปลอดภัยที่ส่องสว่างจากชาตินี้ไปถึงชาติหน้าแท้จริงการให้ไปจึงเป็นการได้มา หากถามหามาตวัดของการให้ทานที่ถูกต้องให้ถามถึงความสุขความอบอุ่นใจที่มาประดิษฐานอยู่ในใจตนเองวันไหนรู้สึกว่าความสุขมีค่ากว่าเงินทั้งที่ได้มาและให้ไปก็ควรสันนิษฐานว่าคุณน่าจะรู้จักให้ทานแบบที่ถูกต้องแล้วประบีอยู่ที่ใจเงินอยู่ที่จิตให้ทานบ่อยเป็นสุขบ่อย จะรู้สึกมีมากกว่าเงิน